ความสัมพันธ์ระหว่างขันต่างๆขันทั้งหอาศัยซึ่งกันและกันรูปขันเป็นส่วนกายนา ม, มาขันทั้งสี่เป็นส่วนใจมีทั้งกายและใจจึงจะเป็นชีวิตกายกับใจทำหน้าที่เป็นปกติและประสานสอดคล้องกัน ชีวิตจึงจะดำเนินอยู่ได้ด้วยดีตัวอย่างเช่นกิจกรรมของจิตใจต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับโลกจึงเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งต้องกายผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นและกายอารมณ์ทั้งห้าก็ดีตาหูจมูกลิ้นกายก็ดีต่างก็เป็นรูปธรรม อยู่ในรูปประขันคือเป็นฝ่ายกายอย่างไรก็ตามในที่นี้จะพูดเน้นด้านจิตใจโดยถือกายเป็นเสมือนอุปกรณ์สำเร็จรูปที่สร้างขึ้นมารับใช้กิจกรรมของจิตใจถือว่าจิตใจเป็นศูนย์กลางแห่งกิจกรรมของชีวิตมีความกว้างขวางซับซ้อนและลึกซึ้งมาก เป็นที่ให้คุณค่าและความหมายแก่ชีวิตและเกี่ยวข้องโดยตรงกับพุทธธรรมที่จะกล่าวต่อไปนามะขันศีมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและส่งอิทธิพลเป็นปัจจัยแก่กันการเกิดขึ้นของนามะขันทั้งสี่เหล่านั้นตามปกติจะดำเนินไปตามกระบวนธรรมะดังนี้ เพราะภาษะเป็นปัจจัยมีตาหูเป็นต้นบวกรูปเสียงเป็นต้นบวกวิญญาณเป็นปัจจัยการสวยอารมณ์จึงมีคือเวทนาบุคคลสวยอารมณ์ใดย่อมหมายรู้อารมณ์นั้นเป็นสัญญาหมายรู้อารมณ์ใดย่อมตรีตรึกอารมณ์นั้นเป็นสังขาร ตัวอย่างในกอได้ยินเสียงระคังกังวานคือหูบวกเสียงบวกวิญญาณคือความรู้แจ้งอารมณ์ทางหูรู้สึกสบายหูสบายใจเป็นเวทนาหมายรู้ว่าเป็นเสียงไพเราะว่าเป็นเสียงระคังอันไพเราะเป็นสัญญาชอบใจเสียงนั้นอยากฟังเสียงนั้นอีกคิดจะไปตีระคังนั้น อยากได้ระฆังนั้นคิดจะไปซื้อระฆังอย่างนั้นคิดจะลักระฆังใบนั้นเป็นต้นเป็นสังขารเพิ่งสังเกตว่าในกระบวนธรรมะนั้นเวทนามีบทบาทสำคัญมากอารมณ์ใดให้สุขเวทนาสัญญาก็มักกาหนดหมายอารมณ์นั้นยิ่งให้สุขเวทนามากก็จะกาหนดหมายมาก และเป็นแรงผลักดันให้คิดปรุงแต่งทำการต่างๆเพื่อให้ได้สวยสุขเวทนานั้นมากขึ้นความเป็นไปอย่างนี้เรียกได้ว่าเป็นกระบวนธรรมะง่ายๆพื้นพื้ น, นเป็นต้นเบื้องต้นเป็นแบบสามัญหรือแบบพื้นฐานในกระบวนธรรมะนี้เวทนาเป็นตัวล่อและชักจูงใจ เหมือนผู้คอยเสนอให้เอาหรือไม่เอาหรือหลีกเลี่ยงอะไรสัญญาเหมือนผู้สะสมเก็บข้อมูลหรือวัตถุดิบสังขารเหมือนผู้นำเอาข้อมูลหรือวัตถุดิบนั้นไปใช้ปรุงแปรตระเตรียมทาการวิญญาณเหมือนเจ้าของงานใครจะทำอะไรคอยรับรู้ไปหมด เป็นทั้งผู้เปิดโอกาสให้มีการทำงานและเป็นผู้รับผลของการทำงานในคำพีวิสุทธิมรรคเป็นต้นเปรียบเทียบว่ารูปเปรียบเหมือนภาชนะเวทนาเหมือนโพชนะสัญญาเหมือนกับข้าวสังขาร เหมือนผู้ปรุงอาหารวิญญาณเหมือนผู้บริโภคหรือรูปเหมือนเรือนจำเวทนาเหมือนการลงโทษสัญญาเหมือนโทษสังขารเหมือนเจ้าหน้าที่ผู้ลงโทษวิญญาณเหมือนนักโทษ ในกระบวนธรรมะนี้มีความซับซ้อนอยู่ในตัวไม่ใช่ว่าเวทนาจะเป็นตัวชักจูงผลักดันขันอื่นฝ่ายเดียวขันอื่นก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาเช่นเสียงดนตรีเสียงเพลงเดียวกันคนหนึ่งได้ยินแล้วสุขสบายชื่นใจอีกคนหนึ่งรู้สึกบีบคั้นใจเป็นทุกข์หรือคนเดียวกันนั่นแหละสมัยหนึ่งได้ยินแล้วเป็นสุข ล่วงไปอีกสมัยหนึ่งได้ยินแล้วเป็นทุกข์หลักทั่วไปคือของที่ชอบที่ต้องการตรงกับความปรารถนาเมื่อได้ประสบก็เป็นสุขของไม่ชอบขัดความปรารถนาเมื่อได้ประสบก็เป็นทุกข์ในกรณีเช่นนี้สังขารคือความชอบไม่ชอบปรารถนาเกลียดกลัวเป็นต้น เป็นตัวปรุงแต่งเวทนาอีกต่อหนึ่งแต่ที่กล่าวอย่างนี้ความจริงมีสัญญาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยในตัวคือสังขารปรุงแต่งสัญญาไว้แล้วกลับมามีอิทธิพลต่อเวทนาตัวอย่างที่อาจจะชัดกว่าเช่นเคยเห็นคนที่รักที่นิยมชมชอบทําอากาบกิริยาบางอย่าง ก็กำหนดหมายเอาไว้ว่าอย่างนี้สวยน่ารักเห็นกิริยาอาการบางอย่างของบางคนแล้วไม่ชอบกําหนดหมายไว้อย่างนี้ว่าหน้ามันไสเป็นสัญญาต่อมาเห็นกิริยาอย่างที่นิยมหมายไว้ว่าสวยน่ารักหรืออย่างที่หมายไว้ว่าหน้าช่างหน้ามันไสก็สบายตาชื่นใจหรือเดือดร้อนตาบีบคั้นใจ เป็นเวทนาแล้วชอบหรือโกรธไปตามนั้นเป็นสังขารที่ซับซ้อนยิ่งกว่านั้นเช่นงานบางอย่างหรือการเล่าเรียนบางอย่างเป็นสิ่งยากลำบากหากลําพังจะต้องทาหรือเล่าเรียนขึ้นมาโดดๆดดแล้วก็จะต้องเกิดทุกขเวทนาแล้วก็ส่งผลต่อไป ให้ไม่อยากทำไม่อยากเรียนแต่หากมีเครื่องล่อมาให้ก็อาจกลับสนใจและตั้งใจทำตั้งใจเรียนต่อไปได้เครื่องล่อนี้อาจเป็นเวทนาที่เป็นสุขในปัจจุบันเช่นวิธีการที่ให้สนุกสนานบันเทิงเป็นต้นหรืออาจเป็นสิ่งซับซ้อนเนื่องด้วยการกำหนดหมายเกี่ยวกับสุขเวทนาในอนาคต เช่นรางวัลความสำเร็จของงานประโยชน์แก่ชีวิตตนแก่ผู้อื่นหรือแก่ส่วนรวมเป็นตน้นแล้วแต่จะปรุงด้วยสังขารฝ่ายใดเช่นด้วยตัณหาด้วยมานะหรือด้วยปัญญาเป็นอาทิซึ่งจะส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้การทำงานหรือการเรียนนั้นเกิดมีความหมายมีค่า มีความสำคัญขึ้นแก่ผู้ทรรมหรือผู้เรียนแล้วแต่งให้เขากลับได้รับสุขเวทนาในขณะที่เรียนหรือทำงานนั้นด้วยแม้อาจมีทุกขเวทนาทางกายแต่ภายในมีสุขเวทนาเป็นโซมนัสอาบอยู่ทำให้เล่าเรียนหรือทำงานนั้นแข็งขันต่อไป เมื่อระครังโรงเรียนกังวานขึ้นในเวลาเย็นนักเรียนทั้งหลายได้ยินเป็นวิญญาณเกิดวิญญาณขึ้นเกิดเวทนาคือรู้สึกเรื่อยๆต่อเสียงนั้นเพราะชินชาอยู่ทุกวันต่างก็รู้กำหนดหมายว่าเป็นสัญญาเลิกเรียนข้อนี้เป็นสัญญาเด็กคนหนึ่งดีใจ เกิดสุขขเวทนาบวกสังขารเราะจะได้เลิกเรียนไม่ต้องนั่งปวดเมื่อยและจะได้ไปเล่นสนุกสนานตรงนี้เป็นสัญญาสอนเด็กอีกคนหนึ่งเสียใจเกิดทุกขเวทนาบวกสังขารเราะจะต้องหยุดบทเรียนอันมีคุณค่าขาดประโยชน์อันพึงได้ หรือเพราะต้องกลับไปพบกับผู้ปกครองที่แสนจะน่ากลัวข้อนี้เป็นสัญญาสอนโดยในยะนี้กระบวนธรรมะตลอดสายเริ่มแต่วิญญาณที่รับรู้เป็นต้นไปจึงล้วนสัมพันธ์กันเป็นเหตุปัจจัยซับซ้อนรวมเสริมสร้างบุคลิกภาพและกำหนดชะตาชีวิตของแต่ละบุคคลให้เป็นไปต่างๆ และให้แตกต่างจากกันและกันในกระบวนธรรมะนี้สังขารนั่นแหละเป็นตัวปรุงแต่งและสังขารนั้นซึ่งมีเจตนาเป็นตัวแทนก็คือชื่อตัวหรือชื่อที่เรียกกันในครอบครัวของคำว่ากรรมดังนั้นกรรมซึ่งเป็นชื่อประจำตำแหน่ง หรือชื่อที่ออกงานของสังขารจึงถูกกล่าวขวัญถึงอย่างเป็นผู้มีบทบาทอันสำคัญยิ่งว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้ต่างๆออกไปคือให้สามและให้ปราณีตหมูสัตว์เป็นไปเพราะกรรม